เหม็นมาเนยบินเข้าไฟถ้าเป็นกองไฟเขาก็คงเาก็คงตายนี่ยังเข้าหลอกไฟนะมันไม่เข้านะมันก็อย่างที่เขาว่านะมันเป็นํำนวนที่ทำให้เห็นว่าคล้ายๆแบบถ้าคนที่หลงนะก็จะบินเข้าหา หาแสงสีเสียงความสนุกสนานความเพลิดเพลินความพอใจแต่ก็ไม่รู้ว่าปลายทางที่จะเองเข้าไปมันเป็นบ่วงหรือว่าเป็นห่วงเหวหรือว่าเป็นความตายของตัวเองนะคนที่ติดกับโรคนะติดในความเพลิดเพลินพอใจนะติดในการ เสษการมเมคุณต่างเนะ่เขาก็ไม่รู้ว่าปลายทางเขาคือการติดลมหรือว่าเป็นสุดท้ายปลายทางที่เขาจะต้องตายไปนะตายไปพร้อมกับความยึดติดหรือว่าความหลงนะอาจจะไม่ใช่เป็นการตายทางทางด้ร่างกายนะแต่มเป็นเรื่องการตายทางตั้งแต่จิตใจนี่แหละก่อนนะ หรือบางทีก็อาจจะส่งผลต่อการสูญเสียสุขภาพจนะท่งตายไปทางด้านร่างกายด้วยเพราะี่จริงในทางพุทธศาสนาเรื่องการการเกิดการตายในรูปเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยให้คุณค่ามันมากก็ให้คุณค่านะว่ามันมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้พัฒนาแต่เราไม่ได้ ให้ความสําคัญในแง่ว่ามันมันจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราจะต้องมีชีวิตที่ยืนยาวนะหรือว่าต้องแข็งแรงตลอดเวลานะแต่เราให้เห็นว่าที่จริงการเกิดทางใจนะที่มันเป็นพบเป็นชาตินะี่แหละมันจะเป็นตัวสร้างสร้างทุกข์หรือว่าสร้างสุขนะแล้วไอ้ตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ ถ้าการเกิดทางกายออการดับทางกายแล้วก็ไปเกิดทางกายใหม่การที่เราสะสมจะดิตนิสัยทางจิตใจนี่แหละมันก็จะเป็นตัวพาให้ไปเกิดอีกคนทุกคนหรือว่าสัตว์ทุกสัตว์ทุก ส, กสรรพชีวิตนะก็มีกรรมเป็นของคนของตนก็แบบนี้แหละนะเราทำกรรมเช่นใดก็ได้ผลเช่นนั้น ทำกรรมเช่นไรมากๆก็ส่งผลให้ไปเกิดเช่นนั้นนะแต่ที่จริงกรรมเนี่ยหลายคนก็ไปคิดถึงแต่ว่าทำแล้วทแล้วมันจะเกิดผลอย่างไรนะที่เป็นเรื่องอนาคตเช่นได้รับบุญได้รับบาปนะได้รับความสุขได้รับความทุกข์นะในอนาคตแต่ที่จริง สิ่งที่เราควรที่จ้ำกลับมาดูคือกรรมจริงๆคือสิ่งที่ทำแล้วมันส่งผลที่ปัจจุบันนี่แหละนะกรรมทางกายทางกรรมวาจากรรมทางใจซึ่งมันส่งผลที่ปัจจุบันเลยนะสังเกตไหมเวลาเช่นทำความสุขทำบุญนะทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ได้รักทันทีก็คือความสุขใจนะความอิ่นใจ เวลาทำไม่ดีทำผิดศีล น, นะมันก็ได้รับความทุกข์ใจนะความไม่สบายใจที่จริงมันเกิดขึ้นนะผลของกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นในปัจจุบันทันทีเลยนะที่ใจเราก็สามารถรู้ได้เราโอ้ทาแบบนี้แล้วมันได้รับผลแบบนี้นะถ้าเราเห็นถ้าเรากลับมาตระหนักมารู้เท่าทันเ่าโอ้ทำแบบนี้แล้วมันทุกขนะ์เนาะทำแบบนี้แล้วมันไม่ทุกขนะ์เนาะ มันจะตะหนักได้เลยว่าเออถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆมันก็ทุกข์บ่อยๆนะเราอยากจะทำมันรูปเบปานะทําบาปทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกข์ใจนะแต่บางทีแม้แต่การทำดีถ้าเรายึดมั่นในสิ่งที่ดีนะมันก็ทุกข์ใช่ไหมบางทีคนไม่ดีเนี่ยเขาทำไม่ดีนะเขาก็ทุกข์ใจ ระดับหนึ่งแต่บางคนถ้าหลงมากมากก็ยิ่งทําให้ดีก็ ย, ยิ่งยิ่งเพลินใจเนาะ ย, ยิ่งสุขใจนะได้ไปเที่ยวได้ไปเล่นได้ไปยิงนกตกปลาเขาเห็นเป็นความสนุกสนานนะอันนั้นเป็นการหลงดับเบิ้ลหลงนะหลงสองต่อคนที่หลงต่อเดียวก็อาจจะพอทําให้ดีแล้วก็เห็นว่ามันทุกข์ใหญ่นะแต่คนที่ดับเบิ้ลหลงเนี่ย พอทำไม่ดีแล้วยิ่งเห็นเป็นความสุขใจได้แก้งคนได้ทําผิดศีลกลายเป็นความสุขใจแต่บางทีคนทําดีแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าทําดีแล้วมันก็ควรได้รับความสุขใจสิเนะีอันนั้นคือถ้าเราถ้าเราเรียกว่าวางใจได้เนะี่ยเมื่อทําดีแล้วเนี่ยมันได้รับความสุขใจทันทีเลยนะแต่ถ้าเราวางใจไว้ผิดเนี่ย เวลาทำดีแล้วเรายึดติดในความดีเรายึดติดในผลว่าเช่นเราบอกใครเราช่วยใครแล้วเขาก็ต้องเป็นอย่างที่เราบอกสิเขาก็ต้องทำดีกับเราสิเขาก็ต้องขอบคุณเราสิถ้าเราไปคิดเช่นนั้นนะมันก็ทุกข์ใจหรือบางทีเราก็เราก็ทุกข์ใจนะเพราะว่า สิ่งนี้เราคิดว่ามันดีสิ่งนี้คิดว่ามันถูกแต่คนอื่นเขาไม่ทําอย่างที่เราคิดว่าดีเราคิดว่าถูกเราไปยึดเราก็เลยทุกข์ใจนะถามว่ า, เ, า, เ, ราเราดีไหมนะที่ที่ที่มองว่าสิ่งที่ควรทํามันดีสิ่งที่ควรทํามันถูกนะ่ะมันก็ดีนะแต่ถ้าดีแบบยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็ย่อมทุกข์ ดังนั้นบางทีไม่แต่การเป็นคนดีนะก็ไม่ใช่เป็นหลักรับประกันว่าเราจะสุขใจหรือว่าไม่ทุกข์ใจนะนะเพราะว่าถ้าเราเพียงแค่ทําดีแล้วก็วางใจไม่ได้น ะ, นะวางใจไม่ได้ทั้งการคาดหวังผลที่ตามมาหรือการวางใจไม่ได้ว่านคนที่เราช่วยเหลือคนที่เราบอกเขาก็ต้องเข้าใจหรือว่าขอบคุณเรา เนี่ยอันนี้คือการวางใจไม่ได้นะถ้าเราวางใจไม่ได้ยิ่งยึดมั่นถือมั่นในความดีมากก็ยิ่งทุกข์มากนะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สอนว่าเราต้องไม่เราต้องไม่ทำสิ่งที่ดีไม่ใช่นะท่านก็ให้สอนให้เราระความชั่วให้ทำความดีแต่สิ่งที่ท่านเน้นอีกอย่างคือการภาวนาการทำจิตให้บริสุทธิ์นะ ที่จริงการทําจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยจะว่าไปจริงจิตจิตพวกเราก็บริสุทธิ์อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าอุปกิรณ์ความหลงมันบันจรมาชั่วคราวมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวเหมือนกับเมฆหมอกนะบทบังพระอาทิตย์ที่จริงพระอาทิตย์ก็ยังสว่างอยู่เช่นเดิมนะเมฆมันมาบางังทําให้ นะแสงพระอาทิตย์มันไม่สว่างเท่าที่ควรจะเป็นก็แค่นั้นเองจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันมันมีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบมีความตื่นรู้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าตอนที่นะมีกิเลสมาบางังนะบังจิตบังใจนะี่แหละมันก็เลยเศร้าหมองมันก็เลยกลายเป็นความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาแทนที่ การมาชำระจิตให้สะอาดนะก็คือการที่พอเรากลับมาเห็นว่าเออจิตมันมีกิเลสได้เกิดขึ้นเราก็เพียงแค่ละมันเสียวางมันเสียคล้ายๆเหมือนเราดูมือดูมือนี้อยากให้มือมันมันไม่หนักมันไม่มันว่างนะก็ดูไปบ่อพอเมื่ อ, อไรเราไปดงยึดอะไรเราก็เพียงแค่พลิกมันควม่มปล่อยมันทิ้ง เออมันก็มันก็วางแล้วเนาะนะีมันก็ไม่หนักมันก็ไม่แบกอะไระเราก็ทาหน้าที่แต่เพียงว่าทำแบบไม่แบกบนะทำแบบไม่ยึดนะอันนี้ะคือถ้าเรามีสตินะมันจะเป็นเหมือนทาเป็นแบบจับแล้วก็วางนะรู้แล้วก็วางนะรู้แล้วก็ปล่อยนะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง มีสิ่งกระทบก็เหมือนกันนะมีสิ่งกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางเลื้นทางกายทางใจมันกระทบแล้วมันก็เหมือนเหมือนเรากระทบเสานะ่กระทบกระทบไปมันก็เราก็ต้องกระแทกกลับมาเหมือนเดิมนะเราไม่สามารถเข้าไปยืนในเนื้อของเหล็กได้ในเสาได้จิตของเราถ้ามั่นคงนะถ้าตั้งมั่นก็เหมือนกัน กิเลสมันก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกได้มันก็แค่กระทบแล้วมันก็ก็เด้งกระเทือนกลับมาเหมือพ่อคเขียนก็เปรียบเทียบดีนะท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนจิตนะจิตของบุตรชนคนที่ฝึกไม่ดีเนะ่ยเหมือนกับเช่นเป็นผนังเนาะเอาดินเหนียวปาเข้าไปเนี่ยดินเหนียวมันก็แปะกับผนังมันติดกันเลยนะอความคิดกิดเลสมันเกิดขึ้นมามันแปะ มันติดใจเลยนะเพราเราไปยึดมันไว้แต่ถ้าจิตที่ฝึกดีมีสตินะเหมือนกับเอาก้อนหินปาเข้าไปในผนังมันปาเข้าไปฝูผนังแล้วมันก็เด้งกลับมันไม่ติดผนังนั่นแหละมันก็จิตของเรามันก็เป็นเหมือนกับผนังแบบนั้นแหละนะมันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้ทันมันไหมถ้าเรารู้ทันก็เหมือนกับโดนโดน ก้อนกวดก้อนหินมันปลาเข้าไปมันก็กระเด้งมันก็กลุดออกมาแต่ถ้าเราไม่รู้ทันนะไอสิ่งที่มันกระทบมันก็เป็นเหมือนดินเหนียวนะมันปลาเข้าไปมันก็ติดเลยนะอันนี้แหละอันนั้นที่จริงพวกเราทุกคนเนะี่ยเจอสิ่งกระทบนะเหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะนะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ทังใจได้เราไม่สามาหรือบางทีบางสิ่งมันก็ผุดขึ้นในจิตใจเองเลยมันเป็นความคิดเรื่องราวต่างๆแต่มันกระทบแล้วมันมันติดไหมหรือว่ามันมันตกมันหล่นเหมือนกับก้อนหินที่มันปลาปอกไปมันก็ตกหล่นออกไปอันนี้แหละคือถ้าเรามีสตินะเราก็จะเห็น เราก็จะไม่เป็นมันก็สิ่งต่างมันก็จะดุดนะเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องเจริญให้มากนะอย่างที่ว่านะตั้งแต่กายานุปัสสนาสติปทานนะมีสติรู้สึกนะรู้สึกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่รู้สึกนะรู้สึกเนะี่ยมันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นสภาวะนะ เ, เหมือนเหมือนเราลูกขา มันก็รู้สึกไหยรู้สึกแต่ไม่ต้องพูดก็ได้ว่าลูปขาใช่ไหมมันรู้สึกมันเป็นความรู้สึกหรือตอนนี้รู้สึกนะลองกลับมารู้สึกถึงร่างกายมันก็รู้นะใช่มมันมีมันมีความหนักมันมีความอ า, อาจจะมีความไหวหรือมีการเคลื่อนเข้าขึ้ืนออกของลมนะมันก็รู้สึกแค่รู้สึกว่าร่างกายมันมีอยู่ ตอนนี้ น, นั่งก็รู้สึกอยู่รู้สึกนะรู้สึกตัวว่ากำลังนั่งนะหรือมีลมกระทบมันก็รู้สึกเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยแหละคือการที่เป็นการที่เรียกว่ามีสติกับมาแล้วรู้ว่าตัวหรือว่าร่างกายเนี่ยมันมีอยู่นะจะอยู่ในอิรยาบถไหนไม่สําคัญ การทำอิรยาบทหรือว่าการเคลื่อนไหวมันเป็นเพียงแค่อุบายทำให้เกิดการตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาจากการที่หลงไปคิดหรือว่าการลืมตัวนะเหมือนเรานอนหลับเนาะได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกหรือว่ามีคนมามาจับเนื้อจับตัวมาเรียกเราขึ้นมาเราก็ตื่นขึ้นมาจากความหลับอันนี้คือมันเป็นการปลุกแบบนั้นแหละนะหรือเรานั่งเมือเมอใจลอย มีคนมาสะ ก, กิดนะมีคนมาเรียกใกล้ๆเราก็รู้ตัวกลับมากลับมาจากความเม่อความใจลอยไป น, นั่นแหละคือความรู้ตัวนะการที่เราขยันสร้างสติในรูปแบบหรือการเคลื่อนไหวหรือบางทีก็ตามรู้สิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเขาเคลื่อนไหวเองนะั่ก็คือเพื่อให้สติมันเป็นเครื่องดา้งเดรูรนะ้รู้สึกว่ากายมันมีอยู่ พอเราจะรู้สึกว่ า, ากายมันมีอยู่นะต่อไปนะความคิดหรือว่าเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยมันก็จะเห็นนะเหมือนแบบนี้ยเหมือนเรานั่งอยู่ในที่มืดมืดเงียบเงียบแบบนี้ใช่ไหมบางทีแค่มแมลงมันเคลื่อนตัวมันบินนิดนึง มันเดินนิดนึงเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียง ม, มีอะไรมากระทบหลังคานิดนึงเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความเงียบมันมีความนิ่งเป็นพื้นไวพออะไรกระเทือนเคลื่อนไหวนิดนึงเนี่ยมันก็จะรู้จิตที่เราฝึกก็เหมือนกัน จิตที่ให้มีสติให้มีสมาธนะิตั้งมั่นอยู่เนะี่ยพอมีอะไรมันกระมันกระเทือนหรือมีอะไรมันไหวไปเนะี่ยมันก็จะรูนะ้มันก็จะเห็นเลยว่าจิตไหลไปแล้วไหลไปมองคนนั้นแล้วนะหรือว่าไหลออกไปคิดอีกแล้วนะไหลออกไปนะพอใจไปไม่พอใจอีกแล้วมันมันก็จะรู้ตัวนะเพราะว่า เรามีสติเรามีสมาธิตั้งมั่นอยู่พอมีอะไรกระทบก็ดีหรือว่ามันไหลออกไปจากใจเลยก็ดีนะไหลไปหานะไหลไปหาอารมณ์ต่างๆนะหรือว่าไหลไปหาวัตถุต่างๆเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าโอ้มันไหลมันสั่นไปนะอันนี้คือสภาวะที่เรียกว่ามันหลงนะมันหลงไหลนะภาษาไทยเนี่ยหลงแล้วก็ไหลนะ มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะเราว่าเรามันก็เลยไม่จิตก็เลยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคนะาว่าหลงไหลมันไหลออกไปข้างนอกมันดืมเนื้อดืมตัวแต่การมีสติคือการกลับมานะกลับมารู้ตัวกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะอันนี้คือมันก็กลับมาแล้วพอกลับมาจะเห็นลยว่าเออมันเป็นปกตนะิมันเป็นที่ที่มัน มั่นคงมันเป็นที่ที่ปลอดภัยนะการไหลไปเนี่ย <c oughs> ไหลไปสุกไหลไปทุกนี่ไม่ปลอดภัยเลยนะ <c oughs> เพราะว่าใดเราไปแขวนไว้กับเขานะเราไปฝากไว้กับเขาเอาจิตออกไปนพึ่งไว้กับเขานะอันเนี้ยแต่ถ้าเราอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเราพึ่งตัวเราข้างในนะเราพึ่งจิตใจที่มันเป็นปกติจิตใจที่สงบแต่ก็ อย่างที่ว่านะการมีสติก็ไม่ใช่การต้องไปยึดไปเกาะนะแม้แต่ความสุขความสงบความรู้ตัวมันก็รู้แล้วก็ต้องวางเหมือนกันนะแต่เราก็สามารถรู้ใหม่ได้ทีละขณะหายใจเข้าใหม่ก็รู้สึกตัวใหม่หายใจออกก็รู้สึกตัวใหม่หายใจเข้าอีกก็รู้สึกตัวอีกมันรู้ทีละครั้งนะ คลิกมือก็เหมือนกันคลิกมือก็รู้หยุดก็รู้ยกก็รู้หยุดก็รู้วางลงก็รู้หยุดก็รู้เคลื่อนขึ้นก็รู้หยุดก็รู้เคลื่อนออกก็รู้หยุดก็รู้นี่มันก็รู้เป็นครั้งเลยนะเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้เดินก็เหมือนกันเคลื่อนก็รู้กระทบก็รู้ เพื่อนก็รู้กระทบก็รู้หลงไปช่างก็ช่างมันก็กลับมารู้ในในการเคลื่อนใหม่เนี่ยเราทําเนี่ยมันจะหลงก็ไม่เป็นไรจะดืมไปบ้างก็ไม่เป็นไรบางทีก็ไม่รู้ว่ากําลังหยุดเนาะเออก็ไม่เป็นไรก็พอเคลื่อนใหม่ก็ไปรู้ตรงนั้นแทนนะมันไม่ใช่ว่าคําว่าเอเราควรจะรู้กับไม่ใช่ว่ามันจะต้องเป็นร้อยเปอร์เ็นต์นะ มันลงไปบ้างก็ช่างหัวมันนะทำแบบสบายๆทำแบบอย่าไปจ้องมันมากเกินไปแต่พอถ้าเราทำสบายๆเนี่ยมันจะมีความสุขในสิ่งที่ทำมันก็จะมันก็จะไม่ค่อยส่งจิตออกไปข้างนอกมันก็จะรู้เนื้อรู้ตัวในการในการกระทำนี้เองแหละแต่ถ้าเราทำด้วยความเค่งเครียดเนี่ยมันมันจะจ้องจ้องแล้วก็มันมันก็จะ เพ่งมากเกินไปแล้วก็มันก็จะไม่สบายนะแต่ถ้าเราก็ไม่ทําแบบแบบทําแบบทรงๆนะทําแบบให้หมด <c oughs> หมดวันหมดเวลาไปนะทําแบบไม่ได้ชอบที่อยจะทําทเนี่ยบางทีมันก็ทําแต่ถ้าแต่ใจกไ็ไปคิดนั่นคิดนี่ไปเพลินในอารมณ์นะบางทีเราก็อาจจะเถียงในใจมาก โอไม่ใช่นะเราก็ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมจริงๆนะอะไนะัเราก็อยากจะรู้ธรรมะนะเราก็เห็นความสําคัญนะแต่คําว่ามันไม่พอใจเนะี่ยมันคือมันคือกิเลสนะมันมันคือส่วนลึกๆปางอย่างมันก็ไม่ชอบนะมันก็ไม่ชอบที่จะอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลามันก็ยังชอบความคิดยังชอบอารมณ์ชอบปรุงแต่งมันก็เลยหลงลืมไปพอความคิด อะไรขึ้นมาก็เลยดากไปชวนไปนใช่ไหมเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะบางทีเราเรียนหนังสือเราก็ว่าเราจะตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจสอบแต่บางทีก็เพื่อนโทรมาชวนก็ยาไปกับเะาลอหรือว่ามีโทรทัศน์มีรายการอันนี้น่าดูไปดูมาสักก่อนดีกว่าค่อยกลับมาอ่านหนังสืออันนี้คือสิ่งยั่วยวนที่มันจะชวนไปเนาะ จิตมันก็เหมือนกันนะ่ะบางทีมันก็มันก็ชวนให้เราคิดนั่นคิดนี่เพลินๆะนะนะแล้วก็ไม่เป็นไรนะมันชวนได้หน้าที่ของกีเด็กเขาเขาก็ชวนให้หลงไปแต่หน้าที่ของเราก็คือกลับมานะกลับมานะกลับมารู้สึกตัวนี่แหละนะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันจะเป็นการตัดความคิดแบบไม่ต้องห้ามความคิดนะเอ่นะ เราไม่ได้ห้ามความคิดไม่ได้ข่มความคิดแต่การกลับมารู้ตัวนะกลับมามีสตินะ่ะมันเป็นการตัดความคิดโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังนะไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมากเลยนะแค่กลับมาดูตัวเองรูแล้วก็วางแล้วก็รูใหม่เนะี่ยคือเราจเจริญสติแบบนี้แหละนะนะมันจะรู้กายรู้เวทนารู้จิต รู้ธรรมเห็นการเกิดการตั้งอยู่การดับไปของของสภาวะธรรมต่างๆนะทั้งที่เป็นกุศลก็ดีทั้งที่เป็นอกุศลก็ดีนะมันเกิดแล้วก็ดับทั้งนั้นเลยนะเช่นมุดเราทำบุญนะทำบุญแล้วก็สุขใจเดี๋ยวความสุขมันก็อยู่ได้อาจจะไม่น่าหลักเดี๋ยวก็เฉยละใช่ไหม เฉยพอมีเรื่องมาคิด ก, งกังวลก็เอา้าไปคิดละอา้าก็ทุกข์ใจละอพอรู้ตัวทันเอาก็กลับมาเป็นปกติละก็ไม่ทุกข์ใจละเนะเราบางทีก็วางไปนะการรู้เฉยๆเนี่ยเหมือนรู้แล้วก็วางนะไม่ไปเอาไม่ไปอะไรนะไม่ไปยึดอะไรคล้ายๆเหมือนทําแล้วก็วางไปนะ ไม่ต้องไปเสพอะไรคล้ายเหมือนอสมมติโยมเนาะถวายเช่นถวายอาหารนะถวายกับพระแล้วพอโยมประเคนแล้วเนี่ยของนั้นมเป็นของของโยมไหมไม่เป็นแล้วใช่ปะของนั้นเป็นของของพระไหมเออถ้าโดยสมมติก็อาจจะเรียกว่าเป็นนะแต่ถ้าพระยังไม่ได้กิน ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ฉันเนี่ยมันก็จะเป็นของที่มันวางอยู่เฉยๆธรรมดาเนะมันยังไม่ได้เข้าเนื้อเข้าตัวยังไม่ได้ออกมาใช้นะมันไม่ได้เป็นของของใครเลยนะโยมก็ประเคนแล้วก็ถวายแล้วก็ไม่ใช่เป็นของของโยมพระรับแล้วแต่รับแล้วก็วางไว้เฉยๆเนี่ยยังไม่ก็มันก็ยังไม่ได้เป็นพระก็ยังไม่ได้ใช้ก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นของของพระจริงๆมันก็ยังวางไว้ อาจจะเอาไปให้คนอื่นต่อก็ยังได้ให้พระลูกอื่นก็ได้มันเป็นของที่วางไว้มันอารมณ์ก็เหมือนกันนะเช่นมันกิเลสเขาก็มาชวนเรานะเขาก็เอามามาถวายนะ <c oughs> เอามาเอามาให้นะเราก็การรับเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่เอานะก็รับประเคนก็รับไว้นะรับแล้วก็วางไม่เอามาใช้ต่อ ไม่เอาไปคิดต่ออันนี้สมมุติน่ะ น, นะเอะหน้าที่กิเลสเขาก็เหมือนหน้าที่ที่ต้องมาเสนอมามายัย่วยวนนะให้เราชอบให้เราไม่ชอบอะไรนะนะแต่พเราเองก็การรับรู้การมีสติเหมือนก็แค่รับไว้ไม่ปฏิเสธเขาเหมือนพระโยมจะถวายอะไรก็รับหมดแหละนะรับไว้ก่อนนะแต่จะใช้ไม่ใช้กินไม่กินเน่ะ มันเป็นเรื่องที่เราพิจารณาอีกทีหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันพอมีถ้าเรามีสติเราก็จะเออพิจารณาได้ว่าอันนี้ควรใช้อันนี้ไม่ควรใช้อ่าอันนี้ควรกินไม่ควรกินอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีอ่ารับไว้แล้วก็เอามาใช้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์ก็ดับเฉยเฉยไม่เอาอา่รับแล้วก็วางไว้ตรงนั้นแหละใช่ไหม มือนมีคนมาพูดมีพูดนินทาเอาก็ได้ยินแล้วนะก็ได้ยินเหมือนกันแ่ะก็รู้ลนะนแล้วก็วางไว้ตรงนั้นแหละก็ไม่เป็นของเรานะไม่เป็นของใครนะให้เราทําตัวย่เนะีลองดูนะอะไรเกิดขึ้นมาก็หน้าที่เขาก็เข า, เามาให้เขามาประเทน เขามาเสนอเข้ามากระทบเนี่ยก็ถูกแล้วนะไม่ได้ผิดเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะมีสติเราจะมีปัญญารู้เท่าทันตัวเราไหมถ้าเราไม่รู้ทันเนี่สิ่งที่เ้าเอามาให้เราก็เอาทั้งหมดเลยนะเราก็แบกทั้งหมดเราก็กินทั้งหมดเราก็ใช้ทั้งหมดเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองคือรุยเสือได้นะอาจจะเกิดโทษนะมากกว่าคุณด้วยซ้ำไปใช่ไหมแต่ถ้าเรา รูจากรับแล้วก็ออรู้เฉยเฉยก่อนนะวางก่อนพอมีสติมันก็จะรู้เอออันนี้ควรใช้อันนี้ไม่ควรใช้นะเพราะบางทีในชีวิตประจําวันบางทีมันก็มีบ้างบางทีก็ใช่ไหมเราก็อาจจะต้องพูดเราต้องคิดวางแผนเราต้องเกี่ยวข้องกับต่างๆเราก็เลือกที่จะใช้บางอย่างนะ เ, ออเห็นคนทําผิดอเรามีสติรู้ละนะเรารู้ตัว ออพอเรารู้ตัวล้เราก็บอกอยังมีสติใช่ไหมหรือบางทีเราก็มีความคิดเรื่องงานมันโผล่ขึ้นมาเออมันก็ดีเนาะเราต้องเอาไปใช้บ้างนะก็รู้ตัวแล้วเออแล้วก็เอาไปใช้ต่อแบบนี้ก็ได้นะแต่มันก็จะใช้ถูกกาลเทศะนะอันนี้คือเราก็จะรู้จักเอาไปใช้ต่อได้เนะี่ยลอง วัตถุสิ่งของมันก็ที่เปรียบเทียบว่าเหมือนการมาประเคนมันก็เป็นวัตถุสิ่งของที่วางไว้ต่อข้างหน้ามันอยู่ที่เราจะมีสติเอามาใช้หรือเปล่าอารมณ์ก็เหมือนกันนะนะมันก็เหมือนสิ่งที่ ม, ม, มันก็เป็นของมันนะมันก็เป็นของมันนะกิเลสเขาแสดงอารมณ์เกิดขึ้นมาแต่มันยังไม่เข้าใจเรานะถ้าเราไม่ไม่ไปแบกไม่ไปยึดนะ มันมีแต่เราหลงนั่นแหละเราเลยไปยึดไว้แบกไว้แต่ถ้าเรารู้ตัวมันก็มันก็จะเห็นว่าอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งจิตเดิมแท้ที่ปกติมันก็เป็นส่วนหนึ่งน่ะมันเป็นคนละส่วนกันจิตที่มีสติมันก็จะดูนะมันก็จะเห็นมันก็จะแยกกันอยู่แต่ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยก็จะผสมน่ะมันก็จะเข้าทันทีเหมือนคนให้อะไรเรามาเรากินทันทีน่ะ ไม่ทันดูไม่ทันระวังเลยนะกินเข้าไปก่อนนะพอรู้ตัวอีกทีก็ตอนมันทุกข์แล้วตอนไม่สบายอีกแล้วใช่ไหมเหมือนเด็กอะเล่นๆกินทุกอย่างกินขี้ก็กินกินค้อนหินกินลูกแก้วก็กินไม่รู้ตัวนะก็พอได้รับอันตรายแเอผู้ใหญ่เคยรู้หรือตัวเขาเคยรู้จิตก็เหมือนกันนะบางทีมันเร็วมากคนนั้นแ่ะมันกระทบปุ๊บเนี่ย บางทีมันเหมือนเข้าไปเน่ยเข้าไปในใจมันทุกทันทีเลยหรือว่าสุขทันทีเลยชอบทันทีไม่ชอบทันทีอะไรนะมันเร็วมากเนีมันเร็วมากเพราะนั้นเราเลยต้องฝึกสติให้มันเร็วให้มันรวดเร็วขึ้นนะเราอย่าไปคิดว่าขอให้กิเลสมันช้าหน่อยมันเบาๆหน่อยนะเราจะได้ทันเราจะได้เลือกเราจะได้เลือกได้นะเราไม่ เราไม่สามารถต่อรองกับเกียรติได้จริงๆนะนะมีอย่างเดียวคือเราต้องฝึกสติให้มันเร็วขึ้นนะฝึกให้มันทันมากขึ้นมันถึงจะเป็นการละได้จริงๆนะแต่บางทีมันก็ระหว่างที่ฝึกมันก็อย่างที่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะทันทุกเรื่องนะนะนะมันก็อาจจะเริ่มจากการที่เรารู้สิ่งหยาบๆไปก่อน นะรู้สิ่งที่แรงแรงไปก่อนเดินไปก่อนไอ้ที่มันยังไม่รู้ก็วางไว้ก่อนนะมันก็ไม่ถึงขั้นกับเรื่องคอขาดบาดตายขนาดนะั้นหรอกนะเพราะเป็จริงคนมันก็หลงกันมาทั้งนั้นแหละนะมันก็หลงคนทั่วไปพวกก็หลงนะมันก็ไม่ถึงขั้นนะคอขาดบาดตายเตียทีเดียวหรอกแต่ถ้ามันไม่ฝึกเลยเนี่ยมันก็จะเป็นนิสัยเป็นความเคยชินที่จะหลงแล้วมันก็จะแก้ยาก แต่ถ้าฝึกไว้ฝึกบ่อยๆที่เคยหลงมากมันก็จะหลงน้อยที่เคยหลงยาวมันก็จะหลงสั้นขึ้นมันก็จะกลับมาได้พบความหลงมันก็มีทั้งหลงหลงให้เป็นทุกข์ก็มีหลงให้เป็นสุขก็มีหรือบางทีก็หลงให้แช่กับความนิ่งก็มี มันก็มีหลงหลายอย่างนะหลวงพ่เทียนท่านใช้บางทีความมืดสีดําเนี่ยมันก็มองเห็นง่ายนะแต่ความมืดสีขาวเนี่ยมันก็มองเห็นยากเนี่ยแต่หน้าที่เราก็คือพัฒนาไปค่อยๆพัฒนาไปนะค่อยๆละความหลงไปจีละขณะจีละขณะอะไรนะค่อยๆทําไปนะแต่ให้ทํำ บ, บ่อยๆทาเรื่อยๆนะ พอใจที่จะกลับมารู้ตัวบ่อย ๆ, ๆนี่แหละมันจะเป็นการพัฒนาความรู้สึกตัวเข้ามาแทนที่ความหลงนะจิตเนี่ยมันก็หลวงพ่อเขียนมากพูดเสมอนะถ้ามันไม่รู้ก็หลงมีแค่สองอย่างแค่นั้นแหละหนะ้าที่เราก็แค่สร้างความรู้นะความหลงก็หายไปเองมัน ง, ง่ายจริงๆนะหลวงพ่อพูดง่ายๆนะแต่ทำเนี่ยนะก็ทําง่ายๆนะถ้าเราถ้าเราทําแค่ความรู้สึกตัว แต่ถ้าเราไปคิดทําไมมันถึงหลงไม่อยากให้มันหลงไม่อยากให้มันโกนไม่อยากให้มันทุกเนี่ยมันคิดมากนะคิดการคิดแบบนั้นคิดว่าทําไมคิดว่าเพราะอะไรนี่นะคือการดื่มตัวทั้งนั้นเลยแล้วก็เราก็ไม่ทำํำนะเราก็ไม่ทําเหตุมันเป็นการเข้าไปอยู่ในความคิดอยู่ในอารมณ์นะแต่การทําเนี่ยไม่ต้องถามว่าทําไมไม่ต้องถามว่าเพราะอะไรกลับมาก่อน เยกลับมาก่อนเหมือนที่พระเจ้าท่านเปรียบเทียบนะเหมือนคนที่ถูกลูกศรยิงเนี่ยถ้าไปคิดเ่ใครเป็นคนยิงเราเขายิงด้วยเจตนาอะไรลูกศรมีพิษไหมถ้าเราไม่รู้เรื่องราวพวกนี้ก่อนเราจะไม่ถอนลูกศร อ, ออกไปจากหน้าอกของเรานั่นคือคนคนฉลาดไหมยช่ไหย มันไม่ฉลาดนะหน้าที่เราก็ถอนลูกศรออกไปก่อนหรือเหมือนไฟไหม้บ้านไหม้อาคารที่เราอยู่แบบนี้นะต้องไปหา ไ, ไม้ไฟมาจากตรงไหนอะไรยังไงหนีออกมาจากไฟก่อนใช่ไหมอืาหรือฝนตกกันเนะี่ยเราอยู่เราเรากลังจะเปรียบฝนฝนมนศาสาดเราต้องไม่ถามว้ยทําไมมาถึงตกมันจะตกนานหรือเปล่านะ่ย หน้าที่เราหลบมาก่อ น, นจิตใจก็เหมือนกันนะเมื่อมันทุกข์มันไม่สบายใจนี่มันหลงเมื่อไรเนะี่ยไม่ต้องไปถามมันไม่ต้องไปสงสัยมันว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมใครทำเป็นกรรมหรือว่าเป็นเวรหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่บางทีก็ทนก็จะสงสัยนะทำไมฉันถึงต้องเป็นนั่นเป็นนี่นะวางก่อนเลย กลับมาก่อนใจมันทุกขนะ์เนาะใจมันกนนะังวลเนาะใจมันสงสัยเนาะกลับมารู้ตัวก่อนนะกลับมารู้สึกตัวเนี่ยแหละนะมันจะทําให้เราวางวางความสงสัยความทุกข์ใจก็ไม่มีที่ตั้งฮะไม่มีที่ตั้งอจิตของเราเนี่ยเหมือนเหมือนอาสนะเนี่ยอาตมานั่งอยู่ตรงนี้ละคนอื่นก็จะมานั่งแทรกไม่ได้ะเรานั่งเต็มไว้ละแต่ถ้าเราหลง หลงเดินหนีออกไปบางที่อาจจะมาอาจจะมานอนแทนก็ได้มานั่งแทนก็ได้นี่คือจิตเราก็เหมือนคืออาสนะมันมันรับรู้อารมณ์ได้ทีได้ย่ามถ้าเมื่อใดที่มีสติเมื่อนั้นมันก็ไม่หลงเมื่อใดที่มันหลงก็เรียกว่าขาดสติแต่มันก็แต่จิตเดิมแท้จริงๆเนี่ยมันมีสติเป็น มันเป็นเป็นเจ้าของนะเนะเหมือนสมมติเนี่ยอาจจะนะตอนนี้นะสมมติอาจจะมาอาจจะลงลุกขึ้นไปสมมติมีหมาเข้ามานั่งแทนมานอนแทนเออพอเรารู้ตัวเอหมามานั่งที่ของเราละเราก็ไล่มันออกไปง่ายนะไล่ออกไปเราก็นั่งแทนที่นะถ้าเรารู้ตัวอยู่แบบนี้แหละเช่นหมาม า, มาอยากจะมานั่งนะ เราก็ทําอะไรเราไม่ไดเไเไเไ้เราไม่เราไม่ลุกขึ้นให้มันเราก็รู้ตัวของเราอยู่นะกิเลสก็เข้ามาไม่ได้นะอย่างที่ว่าพอมีสิ่งกระทบมีกิเลสมายั่วยวนถ้าเรารู้ตัวออมันก็แค่นั้นมันก็วางอยู่เฉยๆล้วก็ไม่ต้องเอาเข้ามาเป็นนะถ้าเรารู้ตัวถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็ลงมไปกับสิ่งที่เขายั่วยวนหรือว่าหลงก็มีหลายแบบนะ หลงเพราะชอบลงเพราะเกลียดลงเพราะกลัวนะมันก็มีหลายแบบบางทีอารมณ์เราบางทีเราทําเราทําตามความชอบทําความความไม่ชอบทําตามความกลัวทํำทำ ค, ความกังวลใจมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยแต่ก็ช่างหัวมันเถอะก็อย่าไปไม่ต้องไปคิดถึงสาเหตุเนาะนะ เราแค่แค่ดูว่าลงไปแล้วกลับมาก่อนลงไปได้กลับมาก่อน น, นี่แหละคือเราก็ทาเช่นนี้แหละสติมันจะเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจของเราเองนะถือว่าพวกเราโชคดีเนาะได้ได้พบหนทางเส้นนี้เนี่ยอย่างที่ว่ามหาสติปฐานนะเป็นหนทางเอกนะที่จะทาให้เราออกจากความทุกข์ได้นะ เราได้พบทางเส้นนี้นะก็ขึ้นอยู่แบบว่าเราจะขยันเดินนะทางเส้นนี้ไหมนะถ้าเราขยันเดินทางมมหาสติปัฏฐานสูต ร, รนะทางเส้นนี้ก็จะไปสู่ปลายทางก็คือพันธิพานก็คือความความไม่ทุกข์นะแต่ถ้าเราไม่ขยันเดินนะเราก็อา จ, จะวนนะอยู่ในความทุกข์นะซ้าแล้วซ้าเล่านะ ก็ขึ้นอยู่กับความขยันความเพียรของเรานะเป็นที่ตั้งเนาะก็ขอให้พวกเราทุกคนได้พยายามตั้งใจที่จะเดินทางเส้นนี้แม้จะเจอปัญหาบ้างเจออุปสรรคบ้างมันก็เป็นเพียงแค่การทดสอบนะความตั้งใจจริงของเราเท่านั้นนะแต่ถ้าเราตั้งใจจริงเราทุกคนสามารถที่จะข้ามปัญหาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญานะเปลี่ยนเป็นอุปสรรคนะ ให้เป็นบารมีที่มันแก่กล้าขึ้นไปได้เ ร, เรื่อยๆนะเปลี่ยนความทุกข์ใจนะเป็นความไม่ทุกข์ใจได้นะจนทั้งเราก็าจะประสบได้ว่าที่จริงปลายทางพระนิพพานเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่อนาคตตกาลนะมันอยู่ที่ปัจจุบันที่รู้ตัวนี่เอง เ, ออเราสัมผัสได้แล้วออนิพพานในปัจจุบันขณะเป็นแบบนี้นี่เองคือใจที่เป็นปกติใจที่รู้ตัวนี่เอง อันนี้แหละเออมันก็จะพบว่าจุดหมายมันก็ไม่ใช่อยู่ที่ปลายทางเตียทีเดียวแต่จุดหมายก็อยู่ที่ทุกขณะที่เราเดินทางอย่างมีสติเนี่ยแหละนะเมเราก็ถึงจุดหมายแล้วถ้าเราสามารถสัมผัสกับจุดหมายที่เป็นปัจจุบันนธรรมตัวนี้ได้น่ะมันก็จะไม่ต้องรีบอะไรเลยนะไม่ต้องเร่งรีบที่จะต้องไปถึงอะไรเลยเพราะว่าขณะที่เดินอย่างมีสติ จิตก็เป็นปกติแล้วจิตก็ไม่ทุกข์แล้วก็ทำแบบนี้นไปบ่อยๆลืมไปบ้างออไม่เป็นไรก็กลับมารู้ตัวใหม่ออก็จิตก็เป็นปกติแล้วเราก็ทำแบบนี้นบ่อยๆนะเราก็จะสามารถสัมผัสได้ทั้งนิพพานนะในปัจจุบันขณะแล้วก็ถ้าเราสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งละกิเลสละตัณหาได้อย่าง หมดจดนะสิ้นทุกข์ได่ยังหมดจดนะก็คือเข้าถึงมรรคผลนิพพานที่แท้จริงเนาะก็ขอให้พวกเราได้สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะในปัจจุบันในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเธอ